วร ص ากพระอาจา ร, ราย์กันคิดและพระ ก, ะ, ะกุ่มจ้าที่พรดแล้วก็นโมตนาบุญกับยาติธรรมผู้ที่มีฝักไปทิ่ใจฝักไปในธรรมะทุทกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มีโอกาสทาหน้าที่มาพูดคุยธรรมะ มาให้แง่คิดได้กำลังใจจากประสบการณ์ของการดนเนินชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้มาที่วัด ส, สวนแก้วนี่ก็เป็นครั้งที่สองคนระับครั้งแรกก็มาับบพม่ได้จากคันคิดครั้งที่สองก็เหมือนเดิมยินดีไหมไม่เป็นไรนะใหม่ๆเคลื่อนไหใ จ, <ะ S 1> จยังไม่ร้อน เดีววันนี้ก็เป็นโอกาสที you, ่นักปฏิบ <M> mm. <T> ัติธรรมทุกท่านจะได้นำเอาการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วสองวันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นชีวิตจริงที่เราจะต้องได้ จะเนเจนอาจจะเป็นประสบการณ์หรือการได้พบได้เห็นหรือการได้ยินฟัมาจากตัวเราเอาไปใช้ได้เป็นผู้ที่เข้าคอร์สในปัจจุบันนี้ก็ที่วัดส่วนแค่ที่อยู่ในวันนี้นี้ก็คือข้อเรื่องการเจริญสติใช่ไหม <S <S <S <S เราก็ลองเอาการเจริญสติ ไปทำหน้าที่ดูสิคำว่าบทแรกที่น่าสนใจก็คือสติสัมปชัญญะเป็นธรรมะ ท, <c oughs> ท, ท, ที่มีอุปการะขึ้นมากสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากทีกว่า พ่อแม่หรือผู้รู้ประวทีิอุปการะเราด้วซ้ำแต่ น, นี่เป็นหลักทานในพุทธศาสนาคนนี้ก็จะพูดในฐนานะของคนที่เป็นลูกคนหนึ่งของพ่อของแม่แล้วก็จะนาะเอาสติอันนี้มนใช้กับตัวเองแล้วก็กับพ่อคุณแม่ วันแม่ก็ต้องพูดเรื่องแม่สักหน่อย <c oughs> เป็นประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา <c oughs> ถ้าว่าเราปราศจากบุคคลท่านนี้แล้ว เราก็จะไม่ได้เกิดมาแล้วก็ได้จะไม่มีชีวิตรอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้เลยบุคคลท่านนี้ท่านมีอุป ก, การะคุณมากเป็นผู้ที่ดีพระคุณมากสำหรับเราพระคุณของท่านเนี่ยลําลึกยิ่งกว่า นานในมหาสมุทรแล้วก็สูงส่งดังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลยากที่เราจะทดแทนบุญคุณได้หมดแล้วก็ครบบุคคลทัานนี้นี่อยู่ไม่ไกลจางตัวเรา ก็คือคุณแม่ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ของรูปทุกคนไหนใครไม่มีแม่บ้างไม่มีเหรอเราเกิดมาจากไหนละจ๊ะมีเนีเรามีแม่ทั้งรูประกายแล้วก็นามระกายที่สคัญ มีทุกคนเปแม่บางท่านมีมากกว่าห น, น, น, นึ่งด้วยซัำไปก็รู้ไห <_ an> ทุกคนเปแม่ใ น, นเรื่องที่พูดเนี้ยมันจะเรื่องที่ลาสมัยเป็นเรื่องของคนทุกๆคนอยากคิดว่าตอนนี้พุดแม่เราเราหมายแต่จากไปแล้วยิบไปแล้วจะหมดความเป็นแม่กําลองนั้นหรือความเป็นแม่เป็นตำแหน่งที่ลาออกไม่ได้ จะพักผ่อนได้ท่านจากแล้วท่าก็ได้พักผ่อน <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ดีแล้วถ้าเดิานเดินบรรดาท่าได้พักผ่อนสบ้ายใครไปก่อนก็ได้พักก่อน <c oughs> <c oughs> แต่เรายังอยู่นี่แหละไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนนะ <Yeah. S 1> ต้องกินต้องนอนต้องถา่ายต้องเครียดต้องทุกข์ต้องคิดชีวิตจริงเราไม่ได้พักผ่อน คุณพ่อคุณแม่เราที่จำเบอร์กันไปแล้วนะตอนนี้ต้งองผ่อนแล้วท่านสบายนะลำแบบไปต้องตึนะ ใ, ในโลกของเราเนี่ยมันเป็นโรคี่ตถิทำมากเคยสังเกตไหมชีวิตเราเนยเวลาเราเหนื่อยเราก็ได้หลังได้หลังได้นอนได้ผ่กผ่อน พอตื่นมึ้นมารู้สึกสดชื่นเพียงแก่ได้หลับชั่วคืนเท่านั้นเราก็รู้สึกสดชื่นขนาดนี้แล้วถ้าว่าเราต้องตายไปตลอดชั่วคืน อ, อย่างนี้เราจะได้พักผ่อนสดชื่นขนาดไหน <c oughs> ลองคิดดูสิไหมเขณะเราตายชั่วคราวชั่วคืนตื่นไปสดชื่นถ้าตายถาวรเนี่ย แล้ยิ่งไม่ต้องกลับมาผุดมาเกิดนี่มันจะดีขนาดไหนเนาะมันก็น่าคิดนะแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นตายนะเมื่ออยู่ก็ทำให้ชีวิตสดชืสดสน่นสดใสได้แลวทำประโยชน์ได้ด้วยผมเองก็มีพ่อมีแมนะ่เดี๋ยวนี้ก็มีมากก่า คนที่มีวัยสูงกว่าค่าพอ่อค่าแม่ผมก็จะเรียกว่าคุณแม่คุณยายแม่ผมเลยมียืะแยะเลยทั้งแม่กันหลอกและแม่กังในแม่คุณแม่ยายไม่มีสบายเลยอย่างหนึง่งผมชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชีวิตที่ลำบากครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่ลำบาก นะอาจจะเกิดไปจากคณะยาติแต่ว่าเป็นความลําบากที่อบอุ่นเข้าใจไหมบคนลำบากก็ไม่อบอุ่นแต่ผมเป็นครอบครัวที่ลําบากแต่ลําบากที่อบอุ่นก็อยู่ในท่ากลางของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องร้อมหน้ารองตาเออพ่อคุณแม่เป็น หลักใหญ่เป็นนูนกลางที่เชื่อมโยงระหว่างคุณพ่อแล้วก็ลูกๆมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็จะบอกว่าถ้าสิ้แม่แล้วก็แพ้แต่ถ้ามีแม่อยู่แล้วแพ้ไม่แต่นะอาจจะกระสับกระส่ายมากก็สมาสมารถรวมกันได้ถ้ามีแม่คุณพ่อเป็นคนที่ สอนเรื่องชีวิตเรื่อง ก, การศึกษาเล่าเรียนเรื่องวิธีคิดต่างๆนั่คือหน้าที่ของท่านส่วนคุณแม่ต้นสอนในเรื่องช่วยเหลือตัวเองให้ช่วยตัวเองการเดินการแต่งหน้าแต่งตัวการกินการอยู่การนอนคุณแม่จะสอนดูแลใกล้ชิดกว่าคุณพ่อเท่านั้น อ, อ, อ<ะ>ีตอนกล่องเนี่ยได้ยินเราเคยได้ยินยยได้ฟังเคยนึกถึงได้ว่า พ่อไม่เคยกล่องเราเลยแต่คนที่กล่องเราคือคุณแม่ <c oughs> กล่องมาตลอดแต่ จ, จําไม่ได้ว่าเพลงอะไรแต่เคยสังเกตตอนแม่กล่อมเร า, าโอ้เพลงนี้ควรจะใช้กับเรามาก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็ไปได้ก็าคุณแม่จะลองกล่องเพลงเพิ <c oughs> เพลงเก่าๆไม่ใช่สมัยนี้มัต้องฮันเตอร์เบิร์พอสมัยก่อนเราก็ตึง เก่ากเห ม, มือนกันเงกล่อมเือนกันไไปเนี่ยเป็นชีวิตที่อบอุ่นซึ่งมีตั้งคุณพ่อแม่ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันและผมเองเนี่ยก็รว่หลายครั้งที่ผมรอดชีวิตได้ก็เพราะคุณแม่ได้ช่วยเอาไว้เพราะตอนในเด็กเนี่ยผมเป็นคนที่สุขสวนมาก เกือบตายหลายครับแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็ช่วยผมได้รอดตายได้เหมือนกันครั้งสุดท้ายที่ผมประสบอบัอติเหต่กระโดนน้ำลงไปนนนนนนนเนี่ยีศีรษะกระแทกถึงฟื้นแล้วก็กระดูกแล้วก็มีการอยนีู้่ในสระว่ายนาำเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้ จมอยู่ใต้คนสัตว์แต่ยังมีสติแต่เป็นสติที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบไม่ใช่สติประทานที่เราสุขวายเป็นสติที่รู้ว่าเราจมน้ํายังมีตัวตนที่จมน้ําเด็นผิเหนอยากจะลอดตายอยากจะช่วยตัวเองได้ยังมีเนสติพร้อมไปกับความอยากแต่รู้ว่าเรากําลังจมน้ําในช่วงนั้นกําลัง ไปว้าหาทานที่อยากช่วยตัวเองแต่ช่วยไม่ได้เพราะมือเท้าก็อับไม่ได้เลยจมีจิตอดสั์ก่อนที่เราจะไปช่วยตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเราแน่นอนเราต้องตายแน่นอนในสระน้ำในขณะ จ, จิ่นั้นคิดถึงคุณแม่จิตมันคิดถึงคุณแม่ข้มาอย่างไงคิดถึงคุณแม่ของตา ถ้ารู้ว่าเราต้องตายในสภาพนี้ถ้านคงเสียใจแย่เลยเนาะหลังจากนั้นเราก็หมดสติกนะ็คิดว่าตาย ไ, ไหมลนะ่ะพอรู้ตัวไม่จริงอ้าวเรายังไม่ตายยังมีคนช่วยเราึ้นมาโอ้ทำไมเราย้อนคิดจิต ด, ดวงสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเราคิดถึงผู้มีพระคุณก็คือคุณแม่เป็นปราชญ์ของเราถ้าห้เรารอดชีวิตมาได้ S <S <an> ใช่ช่วงและเวลาสุดท้ายมันจิตพอดีเลยถ้าเราไม่คิดถึงคุณแม่เนี่ยเราจะออกอารกไม่ได้เกิดเ ป, ป็นบรรลุก็ได้ <S <S <an> <S จิตมันจะพุ่งสร้างรุนวายนะ <S an> เพราะทุกท่านเนี่ยจิตสุดท้ายจะน้อถึงขันนข้ในไม่หลุดครไม่ได้ก็ต้องถึงคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณคนใดคนหนึ่งก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้เราจะรอดชีวิตมาหรือไม่รอดเราก็ไปเกิดเป็นสุขสันต ได้ว่มรอดออกมาแล้วเราก็วันใช้คิดดับผู้ที่มีร่างกายแม่โปร่งแต่ตอนนี้นะแล้วใครเราจะอยู่เฝ้าดูแลเราก็คุณแม่เฝ้าดูแลเราอย่างใกล้ชิดไปรักษาที่ไหนก็ไปด้วยพาไปทุกคนกยังไงเราอยู่ไหนแม่ก็ต้องอยู่ด้วย ตอนนั้นพึ่งใครไม่ได้พี่น้องก็ทํางานมาเยี่ยมมาหาเป็นบางครั้งบางโอกาสที่จริงคุณแม่ก we ็ทํางานทํามากินแต่จะเป็นต้องมาอยู่เวลเราเพราะเราต้องการควาเทียงนะนีแล้วตอนนั้คุณพ่อไปไหคุณพ่อก็ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงที่เพื่อจะเอาเงินมาเจรจุครอบตกลงมาช่วยเหลือผมเจอคุณแม่ ตางฝ่ายต่างทําหน้าที่กันข้าพ่นะจ้อะแต่คนที่ใกล้ที่ก็คือคุณม่จนกระทั่งเราได้สนใจการทำบารมีคุณพ่อเป็นผู้จิตลาบธรรมะมาให้เราปฏิบัตินี่ไงเนี่ยเป็นคุณของคุณพ่อนะลาบธรรมะมาให้เราปฏิบัติเรื่องของการจรรยาติแบบเคลื่อนไหวแนวหลเราก็เทียนนี่แหะ คุณพ่อนำเอามาให้แต่ว่าใช้ทำในาาการจับหลวงพ่อคาเขียนทางจดหมายเรียนก็มมฐานกันทางอาการติดต่อทางจุดหมายกับหลวงพ่อคำเขียนผว่าพู์ว่าเทียนก็มรณภาพไปแล้วไม่จะได้เห็นครับแต่คุณพ่อผมเนี่ยได้เห็นได้ทำแต่ผมไม่ทำก็ฝึก สารสนิทแบบเคลื่อนไหวอยู่บนเตียงที่บ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นกนัลยาณมิตรคอยช่วยดูแลคอยช่วยเหลือ<ม>พ่อเลิกจากการธรรมาหากินทั้งๆ ก, ก็มาอยู่ที่บ้านด้วยการนี่แหละเนี่ยนำธรรมบามาแล้วก็มาช่วย<ม>เหลือเรากับคุณแม่จนกระทั่ง ได้ไปร้วยป่าสุกโตไปกับคุณพ่อเป็นผู้ที่ช่วยใหอเราต่อมาคุณแม่ที่บ้านคุณพ่ออยู่ในป่าสุกโตกับผมคุณพ่อเขียนกลับไปเจอสติดต่อที่วัดซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะต้องไปได้ไม่คิดว่าเราจะไปได้ที่วัดอาจจะอยู่ไม่ได้สำหรับเราแต่พอคุณพ่อไปด้วยเนี่อยู่ได้จากความเมตตาของพ่อขับเขียน แล้วก็คุณจา่าู่วัน่ายสุกโตก็ไปอยู่กับคุณพ่อไปช่วยเหลือที่วันคุณแม่ก็อยู่บ้านเริ่มแยกจากกันฝึกวิธีวันระยะหนึ่งประมาณปีที่สอคุณพ่อก็เสียชีวิตเสียไม่ใช่เสียที่วันเสียที่บา้านที่โรงพยาบาลได้โรคัวใจเฉียบพันเราไม่มีโอกาสได้ดูแลเัาเลย แต่เป็นแค่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามอย่างท่านไม่ได้ดูแลคุณพ่อเพราะเราจากไปไวมากแต่หลังจากนั้นพอคุณพ่อจากไปแล้วเหลือคุณแม่คนเดียวกับเราตอนนั้นน้องสาวก็มาอยู่ด้วยอยู่มาอยู่ช่วยกนตรงนี้ลหละเราก็เกิดความคิดว่า คุณแม่นเม น, นี่ยก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วมีศรัทธาชอบให้ทานชอบรักษาศีลและชอบสวดมนต์ไหว้พระท่านมีอุปบิีไยแต่การภาวนาหรือการเจริญสติ ด, ดับทุกข์โดยสิ้นเจิงนั้นคุณแม่ยังไม่ปฏิบัติอย่างแท้จริถ้าสมาธิแก้สมุกแลวเราตั้งจิตอดานเท่านั้นเอง ก็เลยถือโอกาสถ้าเราฝ่งคุณแม่ไปอยู่วัดป่าสุวรตองแทนคุณพ่อเนี่ยมันน่าจะดีนะในยามแก่เท่าแรงเนี้ยให้อยู่บรรยากาศที่วัดเป็นสิ่งเราที่ดีได้รู้จักพระได้ไปจารุร้อนคำเพียนได้เจริญสติในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็น่าจะดีมันก็เป็นคุบายอย่างนึงที่พาแม่เขาวัด เป็นแม่เนา่พอเป็นแม่เน่ยนะก็ต้องเป็นห่วงบ้านนะห่วงน้องห่วงบ้านแม่ก็่ยอยากจะทิงบ้านไปไหนแต่เพราะความจาเป็นที่เขาเป็นห่วงเราเราจะอยู่วัดคนเดียวก็ไม่ได้ไปฝางพาะาระตะไวยก็เป็นภาระกับท่านเราช่วยตัวเองไม่ได้แม่เลยจาเป็นต้องไปแต่อยู่ที่วัดก็มีความสุขนะเป็นสิ่งแวลดล้อมที่ดีนะมีพระบุญเจ้ามาพูดมาคุยมีอาริธมา คุณแม่ก็มีความสุขกับสิ่งไวร้อนแบบนั้นอะ่ะแล้วก็ได้เจริญสติด้วยได้ผลนกจิตใจด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีๆนะแล้วเออเนี่ยเป็นธรรมบ้านที่เข้าสูส่จิตใจได้ง่ายถ้ามีสิ่งไวร้อนที่ดีนะจดสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่ก็อยู่วัดได้เม่นานเได้แค่สองสามปีก็ต้องกลับมามอยู่บ้านอยู่เดียว เพรายเพราะว่าท่านก็ร่างกายก็ชราลงปอดกำลังลงต้องกลับมาพักที่บ้านเพื่อที่ให้น้องเนี่ยน้องสาวเนี่ยคอยดูแลต่อให้ดูแลต่อตรงนี้ลหละเราก็เลยต้องแยกกันบ่อยครั้งกลับมาอยู่ที่บ้านจากที่คุณพ่อเสียไปแล้วเคยมีคำถาม เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าพระคุณของพ่อกับพระคุณของแม่เนี่ยอันไหนมากกว่ากันใครโดนถามไหมหลือกครถามพ่อแม่เราไหมหรือใครถามใครไหมระหว่างพระคุณพ่อกับพระคุณแม่นในความูสึกเราเนี่ยใครมีพระคุณรมากกว่ากันไหน ใครว่าแม่ยกมือไหนใครว่าพ่อยกมือไหนใครว่าเสมอกานไหนใครไม่ได้ยกมื อ, อมันถูกทั้งนั้นนะแต่พอ ม, มีเหตุผลว่า อะไรก็ตามจะมีขึ้นมาเนี่ยเราต้องสร้างใช่ไหมถ้าไม่สร้างมันไม่มีหรอกมันเป็แก้ความคิดคิดเอามราเรียนสร้างไม่จริงําว่าถ้าคุณเนี่ยหรืออุ่คุ ณ, คณมันต้องทําขึ้นมามันจึงจะมีถ้าหากว่าคุณแม่เราเกิดมาแล้วแต่ถ้าคุณแม่ไม่เคยเลี้ยงดูเราเลยละ่ะ คุณพ่อคนที่เลี้ยงดูเราต่อไปเราลอดชีวิตมาได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ให้เกิดแต่ไม่เลี้ยงเราก็ต้องตายทั้งนี้แต่คุณพ่อคนที่เลี้ยงต่อจากการเกิดมาเนี่เรามีชีวิตรอดได้เพราะอะไรคุณพ่อนะ้วตรงข้าถ้าคุณแม่เกิดมาแล้วถ้าพ่อไม่สนใจเลย ใครแม่เลี้ยงดูลูกอยู่คนเดียวคุณแม่ก็ต้องมีบุญคุณต้องอะไรใช่ไหมบุญคุณต้องสร้างขึ้นมาต้องทําขึ้นจึงจะเรียกว่ามีบ้านแต่อด้านก็คือว่าถ้าคุณแม่เกิดไปแล้วคุณแม่เลี้ยงดูแต่คุณพ่อก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่ของพ่อเจริน หาเงินเพื่อจะมาเลี้ยงที่ติดต่อเรื่องการเรียนท่านก็ทําหน้าที่ของลุงพ่อเหมือนกันต่างฝ่ายต่างรรทําหน้าที่ในสิ่งที่ตนเองถนัดแล้วเราจะวัดได้ไหว่าใครมีบุญหรืมากกว่าเราวัดด้วยใจเราจะเป็นกลางพอไหม <Yeah. S 1> อาชีตุลาการใจยังไม่เป็นกลางน mm hmm. yeah. แล้วเรา จะเป็นกลางได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าใครมีมากมีน้อยอเอานะเสมอกันเท่ากันย้อนๆกันไป <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องแบ่งแยกว่ารักคนนี้มากกว่าคนนั้นรักคนนั้นมากกว่าคนนีนนนนนนน้ไม่ต้องรอก <c oughs> <c oughs> ดีเดีวยวกันนั้นคูเ่เี่และเห็นไ่มเสมอกันเลยเพราะนั้นถูกทั้งหมดเลยก็คุณต้องทําขึ้นมาผมที่ว่าอย่างนั้นนะอาจจะไม่ถูกไปตรงก็ก็คือเป็นความเห็นของผมแบบ แ้วมีใครมาถามเราก็ต้องบอกอยเนี่ยใครบุญคุณใครทําใครได้ใครทํามากก็มีมากทำน้อยก็มีน้อยถ้าต่างปายต่างทําก็มีเท่ากันก็แล้วกันคะแนนเรามาสมเลยกันที่ตอนที่ผมเดินป่าสุทธพงก่อนที่ผมจะกลับมาอยู่บ้านมาอยู่ชมรมเนี่ยเพราะว่าเนี้ยมีได้เจอกับคุณเอขุนีหน้านี่แหละ ปีพประมณ่อี่สิบคุณแม่จากแต่คุณพ่อจากไปเมื่อพศสองมาร้จากไปท่านกระทาที่แบบสมบูรณ์ไม่มีอะไรติดค้างเอาไว้กับลูกกับภรรยากับแม่ผมผมก็อยู่วัดป่าสุขรโตเนี่ยคุณเอลนไปมุนยววัดป่าสุขรโตเนี่ยคุณคนลวิภาเนี่ยวิภาคาุณเอไปแล้วก็พาพระเป ปฏิบัติที่นั่นรูปก็มาเจอผลด้ว ป, ปาสุกุตโตรวมกระทั่งเห็นว่าผมสามารถพูดธรรมะได้ไปแฝงธรรมะได้และทางชมรมเพื่อนุรธรร ม, มนึงก็มีการจัดรายการวิทยุคุณเอกก็เลยชวนให้ผมมาอยู่ร่วมจัดรายการวิทยุที่ชมรมเพื่อนุรธรรมจนถึงปัจจุบันเ น, นี้ยห้องณสิบปีแนละ้วในช่วงนั้นคุณแม่ก็มาด้วยนะ เราไปไหนไปด้วยกันเราเป็นปาตังโกผมเป็นปาตังโกกับแม่ยูนถ้ามีแม่ต้องมีผมถ้ามีผมต้องมีแม่อยู่ด้วยกันเพราะผมอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีคุณแม่ไปช่วยดูนะคุณแม่ก็เลยต้องอยู่ชุมนมด้วยมาฟังผมปออการรายการวิทยุตอนเช้าแลว้วบางทีก็จเจอจะพูดธรมะที่ไหนคุณแม่ก็จะไปกับผมอยู่การหนึ่งท่านมีปิติมาก ผมถูกรับเชิญไปพูดธรรมะที่วัดชูติที่วังน้อยใครใครไปไหมซีก็มีการอบรมพระเนนแล้วก็มีพระเนนที่เรีนยนที่นั่นเป็นพันพันรูปคุณแม่ไปด้วยอยากติดน้องนี่ก็ไปด้วยกันไปฟังธรรมะฟังผมพูดพอพูดจบพระเนรก็ให้ถอน พร้อมๆกันประมาณหนึ่งันลูกเสียงมันจะก้องสาลาขนาดไหนแ้วคุณแม่นั่งฟังเนี่โ้ยิธมากได้ยินเสียงพระเลนให้ถอนให้ถอนพ่อแม่ปิดีมากนะตาหลาชื่นใจภาพด้านเนี่นยแม่ประทับใจมากจ า, กจากเสียงแบบนั้นเขาบอกว่ามันน่าจะตายไปตอนนั้นเ้าตายไปแล้วนี่นโอ้ขึ้นสวรรค์แน่นอนล ไม่หวงชีวิตเลยนะจิตใจมันมีปีตินะแล้วถ้าสิ่งวรอบๆเป็นภาพเป็นเสียงทำเสียงสวดแล้วก็โอ้คุณแม่ที่มีสรทาอยู่แล้วนี่ก็จะมีปิติเนี่ยม้แต่ก่อนจะตาก็ต้องถึงเอาไวา้เนี่ยก็เรียกเป็นกรัรมนิมิตนิมิตดๆๆีๆนะฮะแต่นี้คุณแม่อยู่กับผมได้ไม่นานหรอกอยู่ที่จมรมเนี่ยเพราะแกก็ต้องอยู่ใกล้ๆน้องให้น้องคอยดูแลสุขภาพแล้วก็ ชรามากนะถ้าก็จะไม่ต้องไปอยู่บ้ า, านนครสวรรค์ผมอยู่ที่กรุงเทพอันใดก็จะได้แบว่าฝ่าสุขโตสักครั้งนึงคุณแม่อีกตอนนี้เราต้องมีการแยกเราก็รู้ว่าเราผิดนะอีตอนที่เราป่วยเนี่ยคุณแม่เฝ้าเราอยู่ที่ที่ไปไหนไปกันแต่ตอนนี้นี่ยคุณแมป่วยไปไหนไม่ได้แต่เรานี่แยกโตมาแล้วเออเรานี่ยผิดมากนะเนาะไปท่านเดียวได้ย่านก็ไมีความสุขเลยท่าทางากับเรา แต่เก็กลับไปเยี่ยมกนละับไปหาบ่อยครั้งเพราะว่า <c oughs> เราไปแอบมันเห็นได้ามันต้สบายใจนะไม่มีของฝากเอาหน้าตายันยัดสายไปฝากกันแล้วก็ต้นชื่นลนะ้ะคุณแม่จะมีความสุขมากแต่เ็นรูปมีความสดชื่นของสายในชะ่ไหมฮะเราก็เนี่ยเวลาไปเยี่ยมไปหาเราก็ไม่มีไรายได้นะไปยิ้ยันยัดสายกำลังใจ ทุกครั้งที่ไปถึงแกก็จะร้องไห้ด้วยปีๆๆๆๆติกินดีทุกคั้งที่เราลากลับมายอยู่ชมรมท่าก็จะร้องไห้ด้วยความคิดถึงเป็นธรรมดาใช่ไหมเนี่ย ไ, ไอ้การกาพัดพลาดเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะแม่ทุกคนเนี่ยจะรับไม่ได้รู้สึกอ้างว้างเจ็บปวดมากถ้ามีการพัดพลาดไม่ชอบการพัดพลา เวลาเราก็เวลาไปเยี่ยมไปหาอีตอนจะกลับเนี่ยเราต้องมีเทค น, นิคมีวิธีจะลากลับจากท่านอย่างไรโดยที่ท่านไม่ต้องเสียใจหรือเสียใจน้อยที่สเราจับจิตของคุณแม่ได้ว่าอ๋อท่านเป็นคนที่มีศรัทธาในการทําบุญให้ทางในพิศสุณาก่อนจะลากลับดูกท้านว่าจะต้องบอกว่าคุณแม่ที่ผมจะไปทําบุญนั้นเนี่ยก็ต้องไปพูดธรรมะที่ด้วยมีพระมีโยมมาฟังมากมาย เราบอกลากับสั้นทีเดียวจะพูดถึงอันที่ส่งันที่เราจะไปเนี่ยมากมายจนนั่นลืมจิตที่กําลังคิดถึงนี่มันเป็นอุสโลบายอุบายที่เป็นกุศลไม่ใช่กุสโลบายที่เป็นมายาหาไม่ใช่หลอกลอ่อเป็นกุศลต้องคิดในแง่กุศลมากกว่าในแง่ความเศร้าหมองเนี่ยันนี้สําคัญ น, นะคนเป็นรูรกต้องจัชใจ ก่อนจะลาจากกับเราจะไม่ล่าลาล่าแบบล่าลายลาแล้วละอีกถ้าเกจะทุกแล้วที่อกยู่นั่นแหละเดียวเดียวจางพรุ่งีไปวันนี้บอกเดียวอย่พนี้เราจะกลับใช่มเราบอกวันนี้เลยเดี๋ยวพรุ่นี้ผมจะต้องนะต้องไปทวดไปเั้งยไปอูทำบาไปออกอกาย่างบมากโฟังให้ดีนะทางอาย้นี่นนี้เลยหลบเกลือนอันน้เราคิดนานนย พอถึงเวลาแล้วก็อ้าวแมผมไปก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปไม่กี่วันตายเลยเนวะลาหันหน้าหันหลังแล้วก็ท่าก็จะเป็นทุกข์มากลา ก, ลากลับเรื่องกลับมาท่านก็ร้องไห้ก่อนที่จะร้องไห้เราก็บอกอู้บุญมาแพ่บุญมาแพ่ดีแพ่บุญก่อนนี่จิตจะเศร้าหมองแต่ว่ามันเป็นเป็นความร้องไห้แบบน้ำตาเย็นน้ําตาเย็นกันตายรอใ น, นตานา่างกันนะน้ำตาเย็นนี่เป็นปีติเห็นไหม เราเคยให้ของไกลรับของไกรหรือเจอสิทธิชอบใจจิตใจเราจะมีปีติดรูติดเราม้านตอนนั้นปีติน้ําตาเย็นน้ําตาร้อนแล้วก็ทุกปกทุกใจร้อน อ, อกร้อนใจมีความโกรธมีความเศร้าหมองน้ําตาร้อนน้ําตาเย็นจะดีนะฮะเป็นหลังสารเอดูฟ <c oughs> ีเวลากลับมาถึงคุณแม่ปั๊บปอยจะร้องไห้เราก็บอกว่าแม่แมเอาบุญมาแผ่บุญมาแพ้ ไปจิลุยมากรบเกืนไปเลยจิตไม่มน่าจะรองไห้เราติดบริบทที่มีความสุขเข้าสายไว้ก่อนนะมันต้องรู้จักเวลาท่านสบายๆเราก็ทําคุยคุยเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงของชีวิตว่าคนเราต้องพัาดพลากจากกันเนี่ยความพลาดพลาดจากกันเป็นเรื่องธรรมดา เ, เรากําลังจากกันตอนเป็น ดีกว่าจากกันตอนตายจากกาันตอนเป็นเนี่ยเรามีโอกาสได้พบหน้าพบเจอกันฝึกเอาไว้ให้ได้แล้วตอ่อมาต้องจากกันตอนตายเลยทําใจได้ไหมเราฝึกจากกันตอนเป็นกัอนเห็ไนไหมใบขีวัวขาวทุกคนต้องจากกันตอนเป็นแล้วไงเช้าขึ้นเราไปทํางานก็ปล่อยให้แม่อที่บา้านลูกไปเรียนหนังสือปล่อยเราอยู่ที่บา้านเหมือนกันหรือเราไปทํางานคนรกิจ <c oughs> มันต้องจากกันตอนเป็นก่อน ตอนนี่ทาใจไม่ได้แล้วต่อไปทำใจรูปต้ัวเรียนต่างประเทศต้องแยกย้ายจากกันชั่รรวจังปเป็นเรื่องธรรมดานะต้องฝึกเอาไว้การตัดลางจากกันเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ความเจ็บไ้ได้ป่วยความตายเป็นเรื่องธรรมดาทั้นั้นพูดคุยท่านได้เข้า ใ, เาใจเมือ่อานนี่ท่านมีจิตปกติไม่เศร้าหมองต้องสอต้องบอกนะคนเป็นรูปต้องบอก แม่แต่คนเแม่ก็ต้องสอนลูกแม่นะเราต้องพัดนาจากกันนะไม่วันใดก็วันเราไม่จากเขาเขาไม่จากเราเจากกันไปกันพูดต้องบอกเนี่ยเป็นศาสนาต้องสอนเขาเรื่องแบนี้ผม เ, เวลาคุณแม่สบายใจผมกพูดเรื่องนี้นะแหละแต่ก็รังฟังนะเข้าใจด้วยนะเข้าใจรับฟังรับฟังไงไหมการพูดบ่อยๆบอกบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ถิ่เนเร็วร้ยายทำให้ตั้งเนีนเป็นความธรรมดาของชีวิตตั้ง แขาจอย่าพูดนะไม่ดีไม่ดีอย่าไปพูดดบบ่ากันเราปกปิดความจริงกันนมันถึงกล่าวพูดก็ต้องพูดถึงไม่ถึงกล่าพูดเช่นจิตกำลั ง, ลงสร้างหมอ อ, อย่าพูดเรื่องไรลไรคนเป็นลูกไปหาแม่อย่าเอาเรื่องอะไร้ไปเล่าแม่ฟังเนี่ยแต่นิรไว้ไปที่บัดคนตายเกลือนเป็นบรรพันเนี่ยอย่าไปพูดเลยท่านไม่ต้องรู้ก็ได้ <c oughs> หรือเรื่องการขัดแย้งในครอบครัวที่คนนั้นอย่างงั้น เอาการขัดแย้งในความขู่ดท่านฟังท่านก็จะไม่สบายใจเรื่องทะเลาะ ก, ก, กันอะไรเอาเรื่องที่ดีๆไปพูดท่านฟังสบายใจเรื่อง น, นี้เป็นได้ไปสนชื่น <c ười> คุยเรื่องนี้มันสนชื่นเพราะท่านเครียดมามากในะชีวิตทั้งชีวิตเช่ท่านเครียดมาเยอะแล้วทําไมอยู่กับเราต้องเครียดต่อเนียละ่ะ <c ười> เราต้องลำเเรื่องสนชื่นไปพูดไปคุยค ย, ยิ้มยันแจ่มใสาย่นแหละเป็นยาใจของท่านเลย พูดสิ่งที่ดีๆมีอะไรเวลาผมจะพูดคุณแม่เนี่ยผมไม่เคยพูดเป็นการเป็นการผมพูดเล่นๆสนุกๆพูดเล่นๆตรงนี้ไม่เคยพูดอะไจริงังแต่ในความเล่นๆสนุกนั้นมันมีสอดแซ่บต้องใส่จะทำเอาไว้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมีอีกขั้งหนึ่งเราไปแอบถามท่านพูดเล่นๆตอนอารมณ์ดีๆเรายกประเด็นจากคนข้างบ้านที่เขาตายยกประเด็นขึ้นมา พ่อแม่เนี่ยใช่ไหมคนนี้เขาตายจากไปแล้วเนี่ยเขตายที่นู่นเผาที่นู่นเขาก็รับฟังนะก็ไม่แยกตัวกันท่านเองเราก็เลยแอบบอกอถ้าแม่ต้องตายไปแม่จะเผ า, <c oughs> <c oughs> าวัดไหนเอเผาวัดไหนเนื่พที่นี่มันเก่าแก่ว่าโน้นใหญ่หน่อยเอาไหมเมาว่าเดียวกับพัดแปลงขามปูเล็ก เขาก็จะบอกเลยโอ้ตายเทชาวเผ่าเย็นเลยวัดไหนก็ได้เราจับพ่อปูลเอาไว้เลยนะตายเทชาวเผ่าเย็นวัดไหนก็ได้พยายามจับพ่อปู่ด้วยแม่จะใส่ชุดไหนดีโอ้ชุดขาวแม่เตรียมไว้แล้วชุดขาวชุดขาวเอาภาพไหนดีมากเอภา พ, อาภาพาตอน เ, เ, เป็นสาวแม่ก็ว่าแม่ตอนเป็นสาวมันไม่ใช่ของจริงลุงหลานจะจับไม่ได้เอาลูกปัจจุบันนี่บอกแม่เขาก็คุ้นคิดแล้วอ่ะตัดใจยากที่รจรลงภาพ แม่กแก่แล้วอยากจะตายแล้วก็ยังอยากได้ภาพาลาสัาหเราก็ไม่ว่าอะไระเราก็ไม่ขัดแย้งนะเราเป็นแฟนสาที่ไหนส่วนที่วันนะตอนนี้เรื่องของสมบัติเรื่องสมบัติแม่สมบัติมากมาแนละ้วใจใครบ้างแม่ก็เป็นอย่างไรแต่ที่แบบโอ้มีเก็บเงินเกินเส้นให้พี่คนนู้นแหวนแหวนทองก็ให้น้องคนนี้เอ๊แล้วผมนี่จะได้อะไรนะแม่นั้น พูดในระดับังหวัดแล้วก็ก็คิดอยู่แม่ผมจองตัวสําคัญตัวเก่งของแม่ดีกว่ามีตัวนึ่มันเก่งมากตัวขาดผมจองจอผมจองไว้พูดเล่นแต่เราเก็บข้อมูลไว้ว่าแม่ต้องการยังไงจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคินทีหลังว่าอันนั้นแม่ชอบวันนี้แม่ไม่ชอบชอบกินเล่นไม่ชอบแล้วเราจำข้อมมาถึงเวลาตาแล้วก็ทึบเดี๋ยวเตรียมเอานี่ย ไอการพูดเล่นๆแต่แฝงไปด้วยสาละเนี่ยมันช่วยทําห้เรเก็บ ข, ข้อมูลได้ได้หลายเอย่าคุณแม่เนี่ยก็ต้องใช้วิธีเนี่ยพูดเล่น ๆ, ๆบอกว่าทุกครั้งที่มาแล้วก็แจมสายมาทัานทีนเอาบุญมาแพ้ผมไม่มีรายได้เป็นเงินแต่มีม่รายได้เป็นบุญเอาบุญมาแพ้ไม่ว่ารายได้เป็นบุญเพราะเราไม่มีอาชีพอะไรเป็นเงินเป็นตองเอารายได้เป็นบุญนะพูดมาแพ้พูดมาแพร้รวยบุญ ท่านก็นชอบใจท่้นก็สเดเยี่ยงภาษาทุกครั้งแต่ว่าท่านบกบุญแล้วรับ <c oughs> บางคนทำโรจีอาวาไ่้งั้นนะเนี่ยบบุญไม่รับเลยนะโมตรต่อาบุญอาบุญมาแผ่นะไปทำ บ, บุญมานะไว้งั้นนะเนี่ยเขาเรียบกบบุญไม่รับ <c oughs> <c oughs> ทัโอ้สาธุอนุโมทนาด้วยชย่ได้เนี่ยตปดูบา้ท่านได้คุณคิดตึ ง, เ, งนเนื่อกุศดเยพระน คุณแม่ใครก็ตามเนี่ย <c oughs> เขาต้องการเรื่องบุญบุญสมน้ำนั้นแหละเอาสิ่งนี้ไปพูดเป็นคุณอย่าไปเอาถูกเอาผิดเอาเหรวกนั้นท่านมากเกินไปไวเนี่เป็นไวที่บางทีก็อาจจะไม่ไม่มีเหตุผลและต้องเข้าใจอย่าไปเอาถูกเอาผิดจนกทั้งกดดันคุณแม่เนี่ยเราจะเข้าใจในตัวเราแต่ไม่เข้าใจคุณแม่เลยใช่ไหมท่านให้ท่านทานอาหารเพลี้ท่าน เ, าเป็นทาน แม่เป็นไ ร, รอเ อ, อยนาดื่ตื้ออยวาไปกนั่นก็นกนย อ, อาหารบางอย่างหมอก็ห้ามหมอก็ห้ามใช่ไหมแล้วลูกอะไรห้ามไม่หมอเลยแล้วแม่ก็เครียดนะเอสักหน่อยนะแม่นะ้องอสักหน่อยเนดะ็กกินมากแล้วมันอันตรายเราก็ต้องบอกมีเงื่อนไขส า, ายกลางก็จะยืดดึงช่ชีวิตหรือความสุขมันมีดีกว่าเอนผลด้วยซ้ไปนะเอาตอนนี้สักหน่อย แล้วต่อไปเนี่ยพอนิดหน่อยหลายครั้งเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าอ๋อมันไม่ควรนะเกรงใจลูกเขาลูกเขาไม่อยากให้เรากินบ้าใช่ไหมใช้วิธีแบบนี้อย่าไปบังคับที่บั ง, บงคับตัวคนมันยิ่งสูงยิ่งใหญ่อย่าไปบังคับนิดหน่อยบ้าแรงหลด อ, อายุท่านมากแล้วอยู่กับเราได้เม็นาร์ได้มีความจุขในการกินบ้านก็อย่างดีนะต้องเรืองต่อรองยืดอยู่ชีวิตต้องยืดอยู่ชีวิตใครยึดมั่นถึงมั่นในการเติมกินตะขา มันต้องเลือยืดหยุ่นมากดูเส้นเลือดคนไหมเราไม่ยืดอยู่จริงมันออกรอบแตกมันต้องยืดนี่อยู่ไดนาน ม, ออมันกรอบไม่แตกอย่าลืมว่าไม้ อ, อ, อ่อนจะมัดัดง่าไม้แก่ดัดยากคุณแม่เราคือไม้ผูกไม้ผูกผูกเนะี่ยอย่าไปดัดดัดเมื่อไหร่ก็อักนะอย่าไปดัดเลยประคองไม้ผูกนี่ไว้ให้อยู่แบบเรานาน เนี่ยเนี่ยคือใช้สติใชเป็นยาประคองไม้ถูกปลุกปอ้ไว้ให้ท่านมีชีวิตที่มีประตูท่านบ้านใหมันปล่ยชีวิตอย่าไปเอาเหตุผลตัวก็ตั้งกดดันให้ท่านเครียดแล้วเราก็สบายใจไหยเราก็ไม่สบายใจเราก็เครียดไปด้วยไหมพากันเป็น <pilgrimage> ทุกข์เลยไม่ประโยชน์เลยเนี่ยคนที่มีวัยสูงกว่าเราเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เราสอนหรอกไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไหนเชื่อลูกหรอก พรนะเจ้าถิโทธนะยังไม่เชื่อวูาท่าเจ้าเป็นลูกไปสัมปะต้องใช่อุบายหลายๆอย่างเพราะฉนั้นเราต้องเข้าใจนะความเป็นพ่อเป็นแม่อายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องยกให้ท่านมีความสําคัญเอาไวา้ให้ท่านมีความสําคัญยกยก่องพัดเอาไวา้ท่านจะได้ไม่เสียสถัทาภาพความเป็นแม่ยกย่องเอาไวา้ตามใจเอาไว้มีอะก็ปรึกษาถามทาย ผ่านท่านสักห่อนเราจะเชื่อตามหรือทำตามท่านหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเราจะต้องยกให้ท่านได้ผลถ้าท่านมีความสําคัญท่านจะได้มีความสุขว่าโอ้เรายังเป็นแม่ก็ยู่งเนาะอย่าได้เป็นต่อใช่ไตัวอย่างให้ดูหรือใช้วิธีการอุบายฝรั่งถนนอย่างนี้นะเขาก็จะคิดแล้วก็ไปทำตามก็แล้วเขาเกรงใจลูกก็จะทําตามที่ลูกแนะาำถ้าไปบางขั้นจะต้องเป็นการกดดันในที่ ตัวตนสูงขึ้นไม่มีเหต่อะไรหรอกความจำความลืมคุณแม่หลงลืมเป็นธรรมดาวัยที่ยุมากค้นจะหลงลืมธรรมดาห ล, ล, ลงลืมเลือนจะได้ไปตำหนิดขาเล้อเล่อเรือนหรือลืมสิบ้างมาันก็ดีนะอย่างคุณแม่ผมเนี่ยเสื่อมสมองแต่เลือตก็จะลืมเรื่องเล็กหรือเรื่องอดีตทีม่มากมายสิทธค้าขาใจ ใครเคยในที่ท่านท่านเคยไม่ชอบใจกันท่านลืมหมดแล้ชีวิตท่อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นว่าเออการลืมของท่านเนี่ยมันก็เป็นการดีเพื่อช่วยตัวท่านชีวิตท่านได้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเรื่องราวในปัจจุบันท่านจําได้เรื่องดีท่านจําไม่ได้แต่นะเราไปลืมฟื้นไปต่อยอดท่านก็จะจําได้แต่เรื่องเลวร้าเราก็ไม่ลืมฟื้เอาเรื่องปัจจุบันเข้าวไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการลืม อ, อะไรเสียบ้างในชีวิตเนี่ยเดินดี มันก็เป็นการดีนะป่วยการที่จะจำเอาไว้เพื <S <S ่อเป็นนามย่อบอกไว้จังหวะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างสําคัญหนึ่งเราสอนลูกสอนทำแม่กับแม่อย่างไรเป็นทำกับแม่อย่างไรถ้ากับเราเนีสอนลูกเราอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยสำคัญมากนะเราดูแลแม่พูดคูยจะไม่อย่างไรกฎกันอย่างไรเนี่ยลูกไม่ทากับเราเช่นี นั่นเราทําเป็นตัวอย่างดูแลแม่เป็นตัวอย่างถ้างเป็นการสอนลูกอย่างปบบนตัวมันอยู่ข้างเดิเลือกคุณพ่อคุณ พ, พ่อของเนี่ยผมทํางานครั้งแรกเนี่ยได้เงินเดือนเนี่ยอาปให้พ่อพ่อว่าไงไหมอ๋อเอาไปให้ย่าหนย่าคือแม่ของพ่อเอาไปให้ย่า ทุกเดือนพ่อก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปให้ย่าอยู่แล้วนะเป็นการสอนเราพ่ อ, พ, อพ่อเอาเงินนั้นให้ย่าอ๋อการที่เราเงินไม่ให้พ่อเนี่ยเราก็ทำไิดต้องที่พ่อเขาเอาเงินให้ย่าเช่นเดียวกันเพราะนั่นเขาก็เาเป็นการสอนเราว่าเงี้ยถูกต้องถูต้องเนี่ยอันนี้เป็นการสอนธรรมะจากพ่อที่เขาสอนให้เราไรารู้จักการดูแลการ แบ่งปันกับญาติพี่น้องกับพ่อกับแม่ในยามป่วยไข้เนี่ยสําคัญมากนะไม่มีใครหนีพราเรื่องการป่วยไข้คุณแม่ทุกคนไม่ต้องป่วยต้องไข้ในยามป่วยไข้เนี่ยเราต้องทำหน้าที่ของความเป็นลูกดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าไปกดดันท่านพาท่านไปหาหมอให้หมอรักษาโรค ให้ลูกรักษาแม่เข้าใจไหมหมอรักษาโรคลูกรักษาแม่ลูกอย่าไปรักษาโรคไปกดดันแม่จนเกินไปให้หมอเขารักษาลูกรักษาแมกระษาแมกรกษากระษาโรคแต่รักษาแม่เราก็รักษาใจแม่ยกใหท่านเป็นแม่ดูแลท่านเอาใจใส่อยู่ใกล้ชิดให้กำลังใจเนี่ยเรีกได้ว่าลูกรักษาแม่ หมอรักษาแม่ไม่ได้ เ, ร, เราเขาไม่ใช่แม่เขาหมอหมอก็คุยกับโรคไปเจอแต่เราก็คุยกับแม่แบ่งปันกันถ้าสุขภาพจิตแม่ดีมีความสุขเนี่ยไอ้โรคอ้เกียรก็จะไอลหลังไปเองอย่าจาไว้อย่าไปทะเลาะ ก, กันอย่าไปเกียงกันคนนู้นดูแลมากเข้าไปคนที่ดูแลน้อยอย่าไปเกียดไปเกียดอย่างนั้นน่ะคุณแม่ได้ยินถ้าเขาไม่สบายใจใช่ไ ลุกละ ก, กัถ้าจะเกี่ยงกันทะเลาะ ก, กันก็ขอไปไกลๆให้แม่ได้เห็นถ้าจะไม่สบายกันยากเกี่ยงกันลูกทุกคนแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันใครมีความสำาัญแค่ไหนก็ทำํำหน้าที่อย่างนะั้นอาจจะทําที่ไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหมอาจจะทําหน้าที่แยกต่างกันแล้วแต่ว่าเราจะมีสติมีกําลังแค่ไหนอย่างผมเนี่ยคุณแม่ผมมีลูก5้าคนเป็น ล, ลูกคน ท, ทําสหนึ่งคน ถ้าคนเนี่ยทำหน้รรที่ต่างกันเลยนะไม่เหมือนกันน้องชายคนเล็กมีงานทำก็อยู่เป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือบางโอกาสเนี่ยพี่สาวพี่สาวนี่มีกำลังเงินมีกำลังทัพย์ให้ความสะดวกสบายเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินให้กับแม่และวก็เรื่องรักษาพยาบาลก็ย้องให้พี่สาวไป เขาเป็นครูเขาทำงานไม่มีเวลาจะมาดูแลแม่อย่างใกล้ชิด น, นั่นคือหน้าที่ของเขาเขาก็ไม่ปกงต่อเนี่ยน้องจอีคนเค น, นี่ยวันนี้ไม่ได้อยู่ตลอดแต่ว่ามาเป็นบางครั้งพาผมไปหาแม่ไปเยี่ยมแม่เป็นฝ่ายสร้างความสนุนสนานรื่นเนริงกับคุณแม่ไปถึงคุหน้าก็เต้นโขนนะพึ่งแม่ชอบดูโขนเต้นโขนเต้นลิเต้นยั น, ยนแม่โอ้โหเละชอบใจ ก็ก็มีความสุขแหมไปไปนะแล้วไปเยี่ยมไปหาเป็นประจําส่วนผมเองนี่ไม่ได้ไปทําอะไรบ้างให้กําลังใจให้กํากลังใจแม่ช้อนจิดแม่เปมืนช้อนหุ้นอยู่านะนะัเวลาจิตแม่ตกก็ช้อนจิตแม่นเป็นไรแล้วแม่เลือมเล็กแล้วบตาบางฮุยไม่เรื่องสนุกนะช้อนผิตแม่จิตน้อเหมือนช้อนหุ้นกนะ็ช่วยในแง่ของกําลังใจเอาหน้าไปรดนหํา พอผมไปคนเดียวเงินทุกคนเป็นพร้อมทั้งห้าคนก็ครบองลูกทั้งห้าแม่ก็มีความสุขเนีแล้วก็ให้กําลังใจญาติพี่น้องให้แง่คิดให้กําลังใจการดูแลแม่ส่วนน้องคนเล็กเนี่ยผู้หญิงนะเนี่ยต้องทิ้งบ้านตัวเองเลิกอาชีพเองเพื่อจะไปดูแลแม่เขาไม่มีกําลังเงินแต่เขาเป็นกำลังที่กําลังการที่จะช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ก็ทำหน้าที่ดูแลแม่อย่างใกล้ชิดรอนอยู่กับแม่ให้ยาแม่ช่วยเหลือทุกอย่างกระทั้งให้อาหารท่างสญญายยาน้องก็ไปขดทำเนี่มีบุญคุณมากที่สุดในนนพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ยกให้เขาทำหน้าที่ตรงนั้นเพียก็ทําหน้าที่มันหนักหน่วงมากนี่เราก็เวลาเราไปเยี่ยมไปหาเขาก็ต้องดูแลเราปคนต้องดูแลร่างกลายเป็นต้องดูแลถึงสองคน ในบ้านนั่นแหะเป็นคนไข้สองเตียงเตียงหนึ่งคือคุณแม่เตียงสองคือผมน้องสาวก็คอยดูแลซ้อมเตียงแล้วเกลียดใจเราไม่อยาัมาพอไปที่ไรนี่ก็น้องต้องทํางานดนะักเข้าตัวไอเห็นไปก็พิสถึงแนละ้องบอมาเลยพี่มาเลยตอนนี้พี่ยังตายไม่ได้พี่ยังตายไม่ได้ขอไว้ก่อนยังตายไม่ได้ถ้าผมตายก่อนแม่แล้วก็แม่จะเป็นทุกข์มากและเราก็มันรอด แ, แล้วอนยะู่แล้วจนเอธิษฐาน เราจะต้องตายนะอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ให้แม่ไปก่อนแล้วให้ไปตายตอนนี้แม่ไปแล้วเราก็มีสิทธิอันชอบทรจะต้องตายที่หลังนะตอ น, นี้ยังตายได้เป็นสิทธิอันชอบตามเดียวต้องตายอีตอนแม่อยู่เราไปไม่ได้ตอนนี้แม่ไปแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราบอกมาๆๆน้องให้ผมไปด้วยเพราะว่าคนไข้สองเตียงเนี่ยเขาจะไม่เครียด น้องคนที่วิตกตรึกกังวลมากตรงหลายหลายอย่างการได้ดูแลแม่เป็นการทําหน้าที่กับแม่แล้วเขาก็ไม่ต้องมีไม่มีเรื่องอะไรคิดมากเ <c oughs> มื่อก่อนเขาว่าไงาต้องคิดมากเครียดมากพอดูแลแม่แล้วก็คิดน้อยลงทำงํำกับแม่ให้มากขึ้นแล้วถ้าผมไปด้วยคนเนี่ยโอ้เขาไม่มีเวลาที่จะคิดฟุ้งซ่านเลยนะดูคนไข้สองเตียงคนไข้ที่ที่หนึ่งเสร็จแล้วมาที่สองคือเตียงผม ดูนคนไข้สองเตียงเขาก็ไม่ต้องมีเวลาคิดมากเากินไปแต่เขาบอกอีกอะลรอีกช่วงที่เขาเดินมาระหว่างหาเตียงแม่เตผมเนี่ยเขาก็ยังคิดกันบวลอยู่แม่แค่ช่วงตังๆมันก็คิดก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเนาะบอกบอกว่าสองเตียงพอแม่เสียไปแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่านะบอกว่าเขามีความเครียดมากเลยขาคิดเยอะเลยนะเพรากัขอของบลเพราะไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรตามมนะเพรา่อโกรธที่ เครียดเครียดเพราะงานเยอะเนี่ยงานยุ่งเนี่ยมันยังทุกน้อยกว่าเครียดเพราะไม่มีงานจะยุมม่งเราเครียดมาก เ, เนี่ยการดแูแลแม่การทํางานให้มันพูดวายเขาไว้ไวเนี่ยมันช่วยรักษาจิตใจใ ค, คลายเครียดได้นะะคลายความทุ ก, กข์ที่ตกกังวลได้ในจิตใจเรื่ตัวเนี้สําคัญมากเเพราะว่าคุณแม่เนี่เป็นครูสอนธรรมะถ้าเป็นครูสอนธรรมะ ท่านแก่ให้ดูเจ็บให้ดูตายให้ดูแล้วก็อารมณ์ที่หวั่นไหว่างใเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่แต่ผมแม่คือคุณแม่ผมคือครูสอนทำมาสาเข้าใจที่เนี่ยต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็ตายให้ดูนะตายให้ดูเนะี่ยน้องก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาแล้วมีการหายใจที่ไม่ปกติแกจะเหนื่อยง่าย จะเหนื่อยง่ายหมอต้องให้เราใช้ออกซิเจนในเรื่องออกซิเจนท่านหน่อยเวลาท่านเหนื่อยให้ใช้ออกซิเจนที่เร่งกว่าเดิมสักหน่อยในเวลาท่านเหนนะและ้วก็มีพี่สาวเคยถามว่าแม่เราเนี่ยอาการป่วยหนักแบบเนี้สองปีเนี่ยเวลาตายจะทวมานไหมหมองโอให้่ทรมานหรอก ท่าจะตายแบบไหนรู้ไหมแท้าตายแบบไฟที่หมดเชือ้อ <c oughs> เครื่องที่หมดน้ำมัน <c oughs> เชื่อมันก็ไมหายไป <c oughs> กองไฟมันก็มอดดับไปเองรถที่หมดน้ำมันมันก็วิ่งไปแล้วก็ค่อยดับไปเองจะไม่ทรมานนะทุกคนก็สบายใจเออไม่ต้องตายไม่ทรมานแมอยู่อาจจะทรมานหน่อยแต่ตายไม่ทรมานเนี <c oughs> ย่ยคือข้าวสุดท้ายที่ท่านตาย จบทีวิตลงเนี่ยมีอาการที่ว่าอับแน่นนิดหนอ่อยน้องสาว ก, ก็มาเล่เนออสเตนแล้วก็น้องก็ทำงานอยู่ข้างเตียงอะ่ะไปไหนก็ไม่ได้นะให้แม่มันจับมือไว้ไปทำอะไรก็จับหัวน้องดิให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนเพราะนั้นคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยจะมีความอ้างว้างมีกายายเยอ้างว้างมากที่มีคนอยู่เป็นเพื่อนมันจะดีกว่ามี เ, เพื่อน ไม่จับมือจับีิซซ่าคนอี้น้องก็จับพีรซ่ครับแล้วก็มือทําอะไรจัดยาจไราไปเฮ้ยเป็นแม่เงี่ยบไปน้องก็ถามว่าเป็นอะไรแม่แม่แต่บอกไม่เป็นพูดสันส้นๆเป็นคําสุดท้ายว่าไม่เป็นที่เราเนี่ยนแะเราก็ลึกตื่อ๋อว่ไม่เป็นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึงที่หรวงพ่อกำกัเขียนท่านไปเยี่ยมให้คุณแม่เต็ที่ ว่าเขียนสอนคุณแม่เลยว่าแม่ท้องรอแม่ท้องรอรู้สึกตัวนะแม่ก็ยกมือไหว้รู้สึกตัวอยู่ดีอยู่เลยตัวนี้ยกมือไหว้หลวงพ่อสอนว่าอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับร่างกายอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับทุกขเวทนาอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับลมหายใจ เราชี้ไปฝ่าวไปกับอะไรให้รู้สึกตัวเพราะว่าชีวิตเนีย่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรคำ น, นี้ผมจําได้วันนั่งฟังอยู่น้องที่เราทุกคนนั่งฟังม อ, อสอนคือแม่จะยกมือว่าแล้วนึกเข้าใจแล้วคําคําเนี้เราก็ไปบอกให้แม่อยู่เรื่อยๆแหะแม่แม่ท้องรอแม่ตรองรอกตัวไว้นะ <Yeah. S 1> ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะทุกเป็นเหมือนจทุกวันพูเลยแม่ฟังทุกวันคําเนี้มันจริง ฝังในจิตใจของท่านพระราชทานหลวงพ่ออยู่แล้นันก่อนที่จะจบวิถลนงนนนึกคำเดียวว่าไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรนึกได้ ว, ว่าไม่เป็นก็จบไปด้ยวยไฟที่มันขาดเชือ้อรถที่หมดกำมั น, นก็เกลื่อนระดับไปไปแบบสงบหน้าตาป ก, กติปากแดงนะโดยธรรมชาติ แล้วทุกคนก็จัดงานของคุณแม่การจัดงานของคุณแม่เนี่ยแปลกมากทุกครั้งที่เราวางแผนจัดงานเนี่ยเราไปวางแผนกันคุณข้าศพท่านศพตั้งบนตลาดเลยครับูหลังฉากเอามามาม า, มาคุยมาประชุมกันนะลูกห้าคนหลังฉากเนี่ยคุยข้าศพแม่วันนี้จะทําอะไรจัดงานกันวางแผนงานกันแล้วก็บอกว่าแม่อันไหนแม่พอใจแม่บอกนะขัะนะ้านกัน โชวันตั like ้งคุยนะแล้วท่านไม่ได้ตายจากเราเพราะอะไรไหมเพราะสืบเนื่องมาจากเวลาที่เราไปเยี่ยมไปหาท่านเนี่ยอยู่เลยกันหลายคนสีห้าคนอย่างเงี้ยที่น้องเนี่ยเราก็ไม่อยากโยงคนท่านก็เราก็จะแยกไปคุยกันในคนละคนละห้องแม่ก็จะเรียกมามาคุยเดี๋ยวขอฟังด้วยฟังด้วยอยากจะฟังจะรู้เรื่องรายี่ปุ่นใกล้ที่ดุร้ายถึงเวลาจัดงานแล้วก็เลยไปจาก วาแงแผงงานใกล้ๆจบขั้นข้าวตนน้นแล้วก็ชวนนั่งปุ๋ยที่ตรงนั้นไม่พอใจคัดค้านได้นะแม่นะ <c oughs> เราจใช้ ง, งานเนี่ยสำเร็จลูกๆไปโดยดี <c oughs> ไม่มีอะไรติดขัดเลย <c oughs> แล้วลูกทุกคนเนี่ยไม่มีใครเศร้าหมองไม่มีใครมีความทุกี์ไม่ใช่ว่าจะไม่รักแม่รักรักแต่ว่าความรักทั้งหมดที่ลูกรักแม่น ะ, ะเราใส่ให้ไปในขณะที่เรา ได้ดูแลท่านในตอ น, เ ป, นเป็นเรียรรบร้ อ, บรยรอยแล้วไม่มีอะไรค้างขาดใจว่าใครปกครองเรื่องอะไรทำกับท่านไปเรียบร้อยแล้วไม่ปกค้องแล้วเพราะนั้นเวลาท่านจากไปเนี่ยมันก็สบายใจเรื่องการอาโหดสิกรรมขอคำมาเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้เพราะเราขอคำมาเรียบร้อยตอนท่านมีชีวิตอยู่ทําให้จนทุกอย่างเนี่ยมันจบตรงนั้นแล้วจบตอนที่มีชีวิตอยู่ท่านรับทุกรื่องเรียบร้อยแล้วพอตายไปแล้วเนี่มนไม่ต้องไปทําอะไรหรอก ทำหน้าที่กับท่านให้ดีก็แล้วกันจัดงานให้ดีก็แล้วกันเนี่ยเราคิดว่าเราทาตรงนี้เรียบร้อยแล้วลูกทุกคนจริงมไม่มีใครเศร้าหมองสบายใจแล้วก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจเไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วในขณะท่ท่านป่วยผมเคยนะก่อนที่ท่านจากข้ามาข้าพุทายเนี่ยผมเคยดูว่าท่านมีสติมีอะไรดีไหม ทุกคร้งที่ออกจากบ้านเนี่ยพ่โยกว่าแม่อยากได้อะไรไหมแล้วผมจะซื้อมาฝากแม่ว่าไงไหมอยากได้ทองใช่ทองเหรอสักกิโลนไมสักกิโลนหมาถึงอะไรทองม้วนทองม้วนอันนี้เป็นมุกเก่าของแม่จริงจิอ๋อแม่ยังมีสติยังจำาอะไรได้แม่แต่มุกเก่าท่านก็ยังจำได้เออ แล้วก็ถามว่าเวลาผมไปกลับไปที่ไหนเนเรืนเน่องอย่จากแม่ไปทำไปแม่ตลองให้ด้วยแม่เป็นห่วงผมเลยผมเป็นคนที่น่า ห, วห่วงเลยแม่บว่าแม่ไม่ได้หว่วงแม่ไม่หว่วงแต่แม่คิดถึงสองคาต่างนะนะแม่ไม่ห่วงแต่แม่คิดถึง้ง า, งางนะงเราไปเนี่ยเรามีชีวิตดีแม้ว่าฐานะเราไม่ดีแต่ชีวิตเราดีอะ ดังนั้นเราไม่มีความผิดกับนเด่นนะท่านจริงไม่ห่วงแต่ความคิดถึงนี่ช่วยไม่ได้การพระราชจากกันต้องความคิดถึงเป็นธรรมดาท่านเองเราอ๋อเข้าใจเข้าใจแนมะ่แม่ไม่งไม่งแม่จริงแต่ว่าเรื่องของเรากับท่านเด่นไม่มีอะไรค้าขายใจท่านไม่ห่วงแต่คิดถึงเป็นธรรมาดาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของคุณแม่เพราะฉะนั้น ขณะที่ท่านป่วยท่านมีอายุยืนยาวเราเป็นลูกนะเขาเป็นโอกาสดีนะเป็นโอกาสดีจะได้ดูแลท่านแล้วก็ได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้ได้ความรู้จากชีวิตของท่านที่มีอายุร่วมการผ่านวัยมนขนาดนี้แล้วเราได้เรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อจะมาปรับใช้กับตัวเองเราเองก็ไม่หนีจากสิ่งเหล่านั้นหรอกเลยก็เป็นอย่างท่านเหมือนกัน เราทำกับท่านอย่างไรถ้าเรามีลูกลูกก็ทำกับเราอย่างนั้นเช่นเดียวกันมันเหมือนกันใช่มด้งนั้นถ้าเราจะสอนลูกเราเนี่ยไม่ยากทำกับแม่กับพ่อหรือกับคนที่มีอุปการะกรุณเราทำกันนะั้นเพื่อให้ลูกเขาเห็นลูกเขาเห็นเราก็จะทำตามที่เราทำถ้าเราไม่ทำให้เห็นลูกจะทำตามได้อย่างไรใช่ไหมบางทีสอนเขาก็ไม่เชื่อเขาไม่เห็นเป็นรูประา เราต้องทำกับท่านอย่างนั้นรูกยัรทมตามกับเราเช่เดียวกันเพราะนั้นคนฉลาดเนี่ยจะอาศัยวิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาจิตเนี่ยแม่ขวย น, นานาหรือมีลิกดีอย่างนี้แล้วก็วเป็นโอกาสเราได้ดูดูเล ย, ยเราจำได้ว่าเรามีแม่อยู่สองคนทุกคนมีแม่อยู่สองคน หนคือแม่ในอุดมคติของเราทุกคนมีแม่ในอุดมคติอุดมคติเราคืออะไรคือเป็นเรื่งที่เราคิดแม่ต้องขูดจ้าไปเลาะต้องเรียบร้อ ย, ต, ออยางงาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นั่นคือแม่ในอุดมคติเราคิดเอาตท่ั้เองแต่คุณแม่ที่แท้จริงนั้นคือคนที่อยู่ข้างหน้าเราอยู่ใกล้เราท่านก็เป็นอย่างนี้ท่านเป็นใ ช, ใช่ไหมท่านก็เป็นนี้ท่านเป็นเราจงเข้าใจ เราไม่สามารถจะบังคับแม่ที่ท่านเป็นจริงอยู่เนี่ยให้ตรงตามอุดมพันธ์ของเราเอาแต่ใจเราเนีมันไม่ใช่นั่นไม่ใช่แม่เราใจจริอยู่แม่ในความคิดของเราเนี่ยเป็นอย่างใจหวังนั่นแต่แม่จริงๆนั้นเป็นอย่างที่ท่านเป็นเพราะนั้นอย่าได้หวังเราจากท่านเลยดูแลท่านให้ดีเถอะตายจากแม่ที่เป็นอุดมพติของเราเราจะวาดหวังไงก็ได้นะ เนี่ยมันมีสองแม่คือแม่ข้างนอกกับแม่ข้างในใจเรื่องแบบนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็มีแม่แต่แม่ในวรงนิงเขาเนี่ยต้องพูดพร้องพูดจาดีๆและแม่ที่แทนจริงนั้นไม่ได้เรียนหนังสือเลยคมพูดต่างๆก็พูดแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเขาไม่ชอบใจแม่เขาอย่างนั้น อยากให้แม่แม่พูดว่าพูดดีๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แม่ก็เก้อเขินพูดไม่ถู ก, กเพื่อดีๆก็พูดตามในที่เขาพูดธรรมดาวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนผมคนเนี้ยเขาก็ไปไปที่บ้านเพื่อนเขาซึ่งมีแม่เขาเนี่ยเรียนหนังสือมีความรวยมากมายพูดจ้ า, า, า, าไรล้อแม่เขาเนี่ยเรียกให้เขาทานข้าวด้วยกันกับลูกชายเขามาทานข้าวด้วยกันนะมาทานข้าวด้วยกันลูก พูดจาดีมากโอเพื่อนผมนี่ประทับใจกับปุกนั้นนะกลับมาหาแม่บอกมาบอกกับแม่มาสอนแม่ทาไมเวลาแม่เรียกผมกินข้าวมันไม่เรียกไรเพราะเพราะเราไมเรียกไม่เพราะอะไรนะไมันไม่เรียกคพราะเพระมนะันไะแม่ใจเิ็นบอกไงไหมผู้สาว่าแดดก็พอนะี่ย <laughs> นั่นคือแม่ที่แดิดต้องเข้าใจนะแด๊ โอ้นี่คือคนรักจริงแม่เดิมปกติมันไม่มีตัวตนทุกครที่เราว่าไปเธอแต่แม่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะนั้นใครยก็าตามที่ยังมีแม่อยู่หรื อ, อยังมีพูดก็ื่อคุ ณ, คณดูจงภูมิใจเถอะเราทำหน้าที่ดูแลท่านที่สุดดูแ ล, แ ล, แลท่านที่สุด อย่าปล่อยเวลาเดินนาจวตั้งไม่มีแม่เราดู<ม>เรจะเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเราพลาดโอกาสไปนะก็คงจะพอแล้วบ้งกินเวลามาเดินดานาไม่ได้จับเป็ น, นนะอันนี้ก็ถ้าเราฝึสติแล้วเนี่ยสติติเนี่ยเราจะใช้สิ่งนี้ให้ถูกตรง ก, กับความเป็นสิงสติหรือความระลึกได้สามารถฉันยัความรู้ตัว เป็นทัศนียุปกาละมากอุปการะตัวเราด้วยเล่าการะตั้งคนอยู่ใกล้ตัวเราด้วยหรือว่าผู้เป็นบุญอย่างเช่นคุณแม่ตนน้นนะเอาะสมควรเกิดเวลานะสุดท้ายนี่ก็ขอโอยทุกท่านเนี่ยเนี่ยจงมีสติมีปัญญาเนี่ยมีธรรม ะ, ะเตริญในตามรักษ า, ษาจิตสาจใจให้พ้นจากความทุกข์ให้สิ้นพุ ก่อนสิ้นลมด้วยการทุกทั้งทุกคนเธออาเริ่มปฏิบัตินะอ๋อโอ้ยกรรมฐานผมนี่ไม่เหมือนพ เ, เทียนนะมันต่างกันที่ผมทำได้แค่สองจังหวะหลวงพ่อเทียนสอนสิิจังหวะใช่ไหมให้ได้สิบสี่รู้แต่ว่าหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านแนะนำาเพราะผมไม่สามารถจะเคลื่อนไหวมือได้สิิจังหวะ ผมได้แตพลิกมือเล่นข้อเกี่ยนเขาว่าให้พลิกมือเล่นนะพลิกมือหน้รู้พลิกมือความไม่รู้หนาให้รู้สิความให้รู้สิได้แค่สองจังหวะนอนรู้สึกตัวอยู่สองจังหวะเนะี่ยจะสองจังหวะที่มีคุณภาพนะไม่ไม่หลงนะรู้ซื่อแบบรู้เล่นเลย น, น, น, นะพลิกมือรู้อรามัน <c ười> ประมาทไม่ได้เรามีแค่สองมาไม่ได้ สิบสี่อาจจะประมาหน้าจจะอาจจะรู้ไม่สองก็ได้นะคุณภาพาอาจจะต่างกั น, นกว่าสิบสงหวัดไหวในวันน้อยกว่าการเคขึ้นไหวไม่ได้น้อยมากมือนยงไม่ขึ้นยี่มือซ้ายยกไม่ขึ้นเลยแต่ผมฝึกบ่อยๆเนี่ยฝึกมือขวาบา้ากฝึกด้วยความศรัทธาฝึกออมือขวามันได้สองรู้ไม่ได้มันเหนื่อยอยากไ่้มากแนละ้วลองมาฝึกมือซ้ายดูหัดฝึกมือซ้ายบ้างมากกว่ า, ข, วาขึ้อไหวไม่ได้นะปปมนผมไปฝึกมาเนี่ยมือซ้ายแข็งแรงเลยนะ โอ้ีิ้ยกในสองข้างเลยสิบีก็ได้นะเดี๋ยววันครึ่งชมมั่วโมงเนี่ยบายมากเลยเม่อก่อนอาจารย์อาจารย์เพื่อนสิบสี่ัไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ได้สิบ่ังหวะแล้ว<ไ>ออเออะไรทามาเนี่ยเฟ<แ>ื่องขึ้นมาแล้ ว, ลลวกำเนื้อมันเฟื่องตัวนอกจากเป็นการกายภาพเนี่ยกมื อ, อยกรู้สึกยมือเข้ามารู้สึกมือซ้ายเมื่อก่อเนี่ยตะแคงตะแคงแล้วแข่งไงใช่ไหม สติจังหวะได้เลยนะเนี่ยนะได้แล้วแต่ว่ามือไม่เหเอียด น, นะไม่เหเอียด น, นะมือจะงอแบบนี้ยอย่าทําตามอย่างผมนะผม <c oughs> ว่าทีละ <c oughs> เอียดมือเท่กว่านะะเอียด <c oughs> มือแล้วกินมันตื่นแนละ้วอย่างนี้ไม่ค่อยตื่นหรอก <c oughs> อ, อ, อาศัยแก้จังหวะแล้วต่อไปก็พรับแรงพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนากรรมฐานเองมันก็ได้ติจังหวะ นะถ้าใครนอน้เฉยไปไหนไม่ได้ป่วยขยับมือไม่ได้นะเราก็ลองได้น้อยสองชังหวะก็ได้นะอยู่บนเตียงเราก็ทําได้นะั้นเวลาป่วยป่วยทําไม่ได้ไม่ใช่เราป่วยก็ทําได้แก่ก็ทําได้เคลื่อนไหวไม่อะไร ไ, ได้เลยก็ทําได้ลมหายใจยังมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมล่ะก็รวมลมหายใจก็ได้กรพะพริบตาก็ได้กระพริบตาบิาดตาตายขวาอะไรที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยให้มีสติเกาะตรงนั้นอ่ะเป็นการจิติทาทั้งนั้นแหละ ต้องเจอโ อ, อกาสบางทีเรต้องนอนอยู่ในห้อง i อซอยู่คนเดียวเงี้ยขยับตัวไม่ได้เลยสายยางมากมายเราจะจดสติอย่างไงยกมือก็ไม่ได้นี่ต้องพลิกแผงตรงไหนก็ได้กับพิมพตาก็รู้สึกได้ไมยากคิวนานตรงไหนมันขึ้นไหวก็ปล่อสติลงไปอีตรงที่มันขึ้นไหว ย, ย, ยากๆนั่นแหละสติมันจะดีนะมีหมนั่งปฏิบัติ ปฏิบัมามาแล้วมีสะโพกตัดอะไรไหมไหมต้องใช้สีเป็นรเทค่ะเมื่อกี้แม่เาว่ามี่แม่เป็นกได้าเป็นจริงเะเป็นตอคือเพื่อนจา่แม่เาพูดราแล้วครต่อครับใครทำอย่างไรล่ะให้ใครทให้แม่ทาให้นุ่ทำอ๋อยอมรับนะคาพูดเนี่ย แม้ว่าอาจจะไม่แพรร้องแต่ใจเนี่ยมีความจินใจก็ได้เขาต้องรับส<ม>ิเขารับมาต้นานามน้ำแล้วรับตอบแล้วเอือดนะใช่แล้วิรู้ไหมคนนี้เนี่ ย, ยสุดท้ายแล้วแม่เขาตายแม่เขาตายไปนะตายเพราะว่าเด้ไดโรคชราแล้วก็ตายแบบเขาเสียใจมากที่ก็ามยาามจะบีบคั้นให้แม่เป็นจริงใจเขาคิด เขเสียใจมากแม่เอาเงินให้แม่ไปแล้วเนี่ยแม่เอาไปเล่นหวยก็ไม่พอใจแม่แล้วก็สาบแช่งว่าอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อเขาเอาเงินไปเล่นหวยเนี่ยก็แม่ก็ลงมาลกกันแล้วกันไปสาบแช่งแม่ด้วยและอย่างหนึ่งของของกินเนี่ยที่เขาให้แม่ไปซื้อคุณแม่กินแล้วแม่ไม่ชอบเก็บเอาไว่อยากจะทาให้ลูกใหม่ของที่เหลือแม่ก็ทิ้งไอ้ลูกไม่พอใจว่าแม่ไม่ประหยั กดดันแม่หลายอย่างเนี่ยเพราะอยากให้แม่เป็นในรวงปกติของตัวเองและแม่ก็ต้องตามไปมันเสียใจทีหลังบอกโ อ, โอ้ลูกนี่ก็ปล่อยให้แม่แล้วดีกว่านี่ปล่อยให้แม่เขาเป็นนี่าก็เป็นดีกว่าปล่อยแม่เขาเล่นหว อ, อย่างนี้ก็เล่นไปเนี่ยต่อไปเขาเลือกเองต่อไปเกรงใจแล้วก็แม่เขาจะกินยังไงจะทิ้งข่อยังไอองเพราะเป็นความวังอี่ที่เขาอยากจะทําของใหม่ๆให้ลูกกินเห็นไหมไม่เข้าใจแล้วมันเสียใจดีหล่ะจากไปแล้วใช่ เอราต้องยอมรับมาต้องยอมรับแม่ที่มีเปิลจริงๆยอมรับได้ถ้ายอมรับได้ใจเราข้อถูกทำนะอ๋อธรรมชาติของแม่ก็เป็นอย่างนี้เองเราอาจจะเป็นเหมือนไม่เป็นเหมือนท่านก็ได้แต่แม่ก็เป็นอย่า ง, งนั้นก็เรื่นกับแม่แต่ อ, อ, อย่าไปกดดันแม่ใครจะไปสอนแม่คุณเลาะ <ล>คนพูดล้อไม่ใช่แม่เราคนแม่เราต้องพูดอย่างนี้แหละเออโดนสวนนะ ไ, ไม่พูดไม่ดีกว่าฟัางมาตั้ง น, น <S <S <G l oss> านเออฟังต่อไปเลยเราจะเข้าใจ